สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะบ้านะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันนี้ต้องขออภัยนะครับมาช้าไปชั่วโมงหนึ่งพี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้จากสุภาษิตเป็นครั้งที่หกสิบสี่แล้วนะครับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนชอบธรรเพราะเจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตครับสุภาษิตบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดจนถึงข้อสุดท้ายสามสิบสองนะครับ โปรดฟังพระเนะของพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นยืดชีวิตให้ยาวไปแต่ปีเดือนของคนชั่วร้ายนั้นจะหดสั้นเข้าความหวังของคนชอบธรรมจบลงไปด้วยความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายจะสูญเปล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแก่ผู้ที่ประพฤติอย่างเที่ยงธรรมแต่ผู้กระทำชั่วพระองค์ทรงทำลายผู้ชอบธรรมจะไม่ถูกจำกัดเลยแต่คนชั่วร้ายจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินปากของคนชอบธรรมนำปัญญาออกมาแต่ปากของคนชั่วร้ายรู้ว่าสิ่งใดตลบตาแหลงพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้า ห้าข้อสุดท้ายของบทที่สิบเอ็ดนั้นได้ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรในทางกลับกันครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอาธรรมในวันนี้ผมจะเน้นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนชอบธรรมก่อนนะครับเราพบว่ามีแปดประการครับที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ชอบธรรมจากพระคัมภีร์ ทั้งห้าข้อนี้ประการแรกก็คือคนชอบทำมั่นใจได้ว่าตัวตัวเองนั้นจะรอดและได้รักชีวิตนี้กันความหวังของคนชอบทำนั้นจบลงในความยินดีประการที่สองครับคนชอบทำจะพบกับพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาอยู่ในน้ำาันไทยของพระเจ้า สิ่งที่เขาทำก็เป็นนามารรยของพระเจ้าที่สำแดงเขารู้และความชอบทันเป็นเรื่องของพระคุณครับที่พระเจ้าประทานให้เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในพระเจ้าคนชอบธรรมนั้นจะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนพระเจ้าจะให้คระคุณเมตตาพิเศษกับคนชอบธรรมและจากโคจรนะาของพระเจ้านั้น เราทั้งหลายที่มีคนคริสเตียนเราชอบธทำได้โดยพระเยซูคริสต์ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์อาศัยพระคุณของพระองค์จะได้รับความชอบธรรมเป็นของตนได้รับการขนานนามว่าเป็นคนชอบธรรมและในที่สุดเขาจะได้พบกับพระเจ้าประการที่สามครับคนชอบธรรมจะมีความหวังและท้ายที่สุด จะจบด้วยความชื่นชมยินดีความหวังของคนชอบทำจบในความยินดีพระเจ้าได้เตรียมเดส i n a นช o n หรือจุดมุ่งหมายปลายทางไว้สำหรับคนชอบทำแล้วคนชอบทำเหล่านี้เขาเดินไปด้วยความหวังในเดส i n a นชันหรือจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเตรียมให้กับเขาครับและในจุดเขาก็จะไปถึงจุดนั้น จุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าเขาพึ่งในพระเจ้าเขาวางใจในพระเจ้าและเขาทําตามพระเจ้าประการที่สี่ครับคนชอบทำเดินอยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความมั่นคงปลอดภัยถามว่าทําไมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทางแห่งความมั่นคงแน่นอนครับเพราะว่า องค์พระมุนเจ้าจงเป็นป้อมปราการและเป็นที่รีพัยเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลาบากเพราะฉะนั้นศัตรูแม้วแม้ว่ามันจะจ้องทําลายมันจะวนเวียนมันจะส่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อเข้ามาทําให้ความเชื่อเราสั่นคลอนแต่คนชอบทำนั้นเขามีพระเจ้าเป็นป้อมปราการเป็นที่รีภัยของเขาครับ ประการที่ห้าครับคนชอบทำจะยั่งยืนตลอดยั่งยืนตลอดไปด้วยไม่มีวันถูกถอนรากถอนโคนข้อสามสิบบอกว่าคนชอบทำนั้นจะไม่ถูกจํากัดเลย <c oughs> แต่คนชั่วร้ายจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินพี่น้องครับชีวิตของคนชอบทำนะครับเขาจะยั่งยืนตลอดไปแม้ว่าเขาตายไปแล้วนะครับเขายังพูดอยู่ชีวิตของเขานั้นยังพูดอยู่ มีคนพูดถึงเขาและมีคนเรียนแบบเขาอยู่มีคนยกจ้องชมเชยเขาอยู่และมีคนที่ใช้ชีวิตของเขานั้นเป็นแบบอย่างที่น้องครับนี่แหละครับคือความหมายของว่าคนชอบธรรมจะยั่งยืนตลอดไปไม่มีวันถูกถอนรากถอนโคนครับประการที่หกคนชอบธรรมจะมีชีวิตที่ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นนั้น ทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในวงจรครับวงจรแห่งพระพรพี่น้องครับวงจรแห่งพระพรพี่น้องคงรู้จักนะครับก็คือเราให้พระเจ้าพระเจ้ารับไว้พระเจ้าใช้และพระเจ้าให้คืนมาเราให้พระเจ้าพระเจ้ารับไว้พระเจ้าใช้และพระเจ้าให้คืนมาเราให้พระเจ้ายังไงครับเราให้พระเจ้าก็โดยการที่เราช่วยเหลือคนยากจน ให้เงินทองของเราช่วยในการรับใช้พระเจ้าเหมือนกับเราสั่มสมทั ส, สมบัติไว้บนสวรรค์ น, นะครับเอาเงินทองของเรานั้นทำความดีนอกจากเงินทองแล้วเรายังมีกาลังใจกำลังใจเราสามารถที่จะให้ได้การให้เกียรติก็ให้ได้คำพูดที่อ่อนหวานชมเชยซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกั น, ก, ก, น, ก, นก็ให้ได้ํำหนุนจิตชูใจก็ให้ได้ นี่นะครับคือการให้ใส่เข้าไปเป็นอินพุตใส่เข้าไปอยู่ในวงจรแห่งพระพรพระเจ้าก็รับไว้พระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้ที่เราให้นะครับไปให้กับคนอื่นครับแต่พระเจ้าในที่สุดก็ให้เรากลับคืนมาให้ออกไปพระเจ้าใช้พระเจ้าให้กลับคืนมานี่คือวงจรแห่งพระพรครับและการให้ของพระเจ้านั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้มากมากกว่า นะครับมากกว่าที่เราต้องการทีพี่น้องครับการให้ที่สูงสุดนั้นคือการให้ปัญญาครับการให้ที่สูงสุดนั้นคือการให้ปัญญาปัญญานั้นหมายความถึงความสามารถในการดํารงชีวิตโดยรู้จักกับเจ้าผู้เป็นแหล่งกําเนิดของปัญญาพูดง่ายก็คือว่าให้อะไรก็สู้ให้พระเยซูไม่ได้ให้การรู้จักกับพระองค์ไม่ได้ให้การรู้จักกับพระเยซูแล้ว ชีวิตของเขานั้นก็เต็มเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่นำมาซึ่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับประการที่เจ็ดครับคนชอบทำเขาจะรู้กาลเทศะรู้ว่าอะไรเหมาะสมรู้เวลาว่าเมื่อไหร่จะพูดเมื่อไหร่จะหยุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับบางคนพูดดีนะครับแต่เวลาไม่ถูกนะครับไม่ควรใช้เวลานั้นพูดก็อยากจะพูดเวลาควรจะหยุด ก็ไม่หยุดครับอันนี้น่าเสียดายใครอยู่ใกล้คนเหล่านี้เราก็คาดไม่ถึงนะครับว่าเมื่อไหรเขาจะพูดเมื่อไหรเขาจะหยุดคนชอบทำนั้นจะรู้การละเทสะรู้เวลาครับพระธรรมปีพ่อพูดชัดเจนนะครับปากของคนชอบทำนําปัญญาออกมาทําให้คนอื่นมีปัญญาทําให้คนอื่นรู้ตามครับ แต่คนโง่เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีปัญญาเขาหารู้ไม่ว่าตัวเองโง่และหารู้ไม่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเขานั้นมีปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นการตาบอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟังแล้วไม่ได้ปัญญาครับคนโง่อยู่ข้างคนชอบทาฟังแล้วไม่ได้ปัญญาแต่คนชอบทาปกติแล้ว ท่านจะนําปัญญาออกมาให้คนโง่ได้ยินได้ฟังข้อที่แปดครับในขณะที่คนชอบธรรมจะมีความยำเกรงพระเจ้าเขาจะมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกอันนี้อยู่ในข้อแรกเลยนะครับความยำเกรงพระเจ้านั้นยืดชีวิตให้ยาวออกไปนี่น้องครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าชีวิตเราจะยืนยาวบนแผ่นดินโลกนี้นครับเราจะมีความปลอดภัยทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วย ในขณะที่คนธรรมจะมีชีวิตสั้นเขาจะถูกตักถอนออกความหวังของเขาก็สูญเปล่าไร้ประโยชน์ทางของคนชั่วร้ายก็เดินไปสู่ความพิดน้าและหายหายะนะนะครับคนชั่วร้ายจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานและการกระทำของเขาก็ถูกตัดออกคําพูดที่ปิ้นป้อนก็จะถูกเมินเรื่องผีป่าของเขาก็เต็มไปด้วยการตลกตะแลงเขาเป็นลูกของความพิดหน้าเป็นลูกของมารทําการโกหกหลอกลวงเพื่อจะยกย่องตัวเองและทําร้ายคนอื่น คนชั่วร้ายกลัวความตายซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะคนไม่เชื่อพระเจ้านั้นคนไม่เชื่อพระเจ้านั้นก็จะกลัวความตายครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเจออะไรในทางตรงข้ามครับผมขอสรุปนะครับผู้เชื่อผู้เ ช, ชื่อผู้ที่เป็นคริสเตียนเราตั้งหน้าตั้งตาคอยชีวิตนี้รันและรอคอยความรอดจากพระเจ้าครับนะและพวกเราเน้นจะได้รับรางวัลจากความหวังนี้ อย่างแน่นอนพี่น้องครับเราสามารถที่จะเลือกเลือกที่จะมีความกลัวความตายหรือมีความหวังหลังความตายเราสามารถที่จะเลือกปฏิเสธพระเจ้าเดินตามทางของตัวเองหรือยอมรับติดตามและเดินอยู่ในทางของพระองค์ซึ่งมั่นคงปลอดภัยและมีความชอบธรรมผลของความชอบธรรมรออยู่ครับอาเมน